ปัญหาที่สามถามที่ดับปัญญาข้าแต่พระหน้าเกษณยานเกิดแต่ผู้ใดปัญญาเกิดแต่ผู้นั้นหรือเกิดมหาราชาคือยานเกิดแต่ผู้ใดปัญญาก็เกิดแต่ผู้นั้นข้าแต่พระหน้าเกษณสิ่งใดเป็นยานสิ่งนั้นหรือเป็นปัญญา ถูกแล้วมหาราชะคือสิ่งใดเป็นญาณก็สิ่งนั้นแหละเป็นปัญญาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ายานได้เกิดแก่ผู้ใดปัญญานั้นได้เกิดแก่ผู้นั้นผู้นั้นหลงหรือไม่หลงมหาราชะผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่างไม่หลงในบางสิ่งบางอย่าง หลงในสิ่งไหนไม่หลงในสิ่งไหนขอถวายพระพรหลงในศิลปะที่ไม่ชำนาญก็มีในทิศที่ไม่เคยไปก็มีในชื่อหรือสถานที่ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีอ๋อแล้วไม่หลงในอะไรผู้เป็นเจ้าไม่หลงในสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าเป็น อนิจังทุกขังอนัตตาค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็โมหะคือความหลงของผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนละ่ะมหาราชะพอยานเกิดแล้วโมหะคือความหลงก็ดับไปในยานนั้นเองขอนิมนต์อุปมาเถิด